วิทยุราชมงคลธัญบุรีเอฟเอปเุมกะเฮิร์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2องพรพระราชาพิธีสำคัญในการเสด็จถลิงถวัลยลยรราชาสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระบรมราชาจั ก, กรีวง์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 ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กรอบข่าวเช้าวันสุกนะครับสุกที่22พฤศจิกายน2562ทาง f อ 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตนะครับเจอกันกับเรา2คนเช่นเคยคุณอาทิตยา ป, ปักกะธนางและผมปยียพงศ์เคนทวายครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณปียพงศ์เป็นยังไงกันบ้างฮะตื่นตระหนออกตกใจกันพอสมควรนะฮะเมื่อวานนี้นอืน้องบอกว่า คนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวสักเท่าไ ร, รปกติแล้วเนี่ยเขาจะเจอในส่วนของภาคเหนือนะเบียวงแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานใช่ไหมคะคแล้วก็ทางจังหวัดกาญจนบุรีแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศลาวแล้วก็ทําให้ประเทศอื่นประเทศอื่นๆเนี่ยแล้วก็ในส่วนของจังหวัดบางจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยนะได้รับผลกระทบในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยมีคนถ่ายภาพแล้วก็แชร์กันในโลกทวิตเตอร์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคุณเขาก็บอกว่าทางสาธรนะก็ มีเหตุการณ์อย um, ู่บนตึกสูงเนี่แหละแล้วก็ตึกสั่นนะคะแล้วก็ทางฝั่งของน้องช่างเทคเนี่ยก็บอกว่าทางมหาัยเกษตรศาสตร์เองเนี่ยทางศูนนั้นน่ยก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันแล้วก็มีต้องเรียกว่ามีผลกระทบในเรื่องของตัวสร้างโครงสร้างอาคารก็มีราวบ้างนะคะแต่ทีนี้เนี่ยน้องบอกว่าด้วยความที่มันไม่ชินนะ นึกว่าตัวเองจะเป็นลมคืออารมณ์แบบใครเขาบอกว่ารู้สึกอาการคล้ายแบบบ้านหมุนเออบ้านหมุนเวียนหัวมันเกิดอะไรขึ้นนี่เขาลายมาแต่นนชาวนะหรือว่าป่วยเขาลายเข้ากลุ่มเลยว <c oughs> โอ้โหพี่ผมว่าเนี้ยแผ่นดินไหวพี่ผมว่า เนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอ้ยรถวิ่งผ่านหรือเปล่านีน่คุณถ้าถ้าเป็นที่สถานีนะเราก็จะแซวว่าอ้าวยังไม่ชินอีกเหร อ, อนะคะ เ, เพราะว่าเราอยู่ในในส่วนของทางด่วนพอดีอซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีผลบ้างนิดหน่อยคือคือตรงที่เป็นถนนที่เป็นเป็นเส้นสายเส้นหลักเนี่ยพอ ร, รถที่เป็นรถขนาดใหญ่วิ่งผ่านด้วยความเร็วเนี่ยมันทําให้อาคารที่เป็นอาคารสูงเนี่ยมันก็จะเกิดความความรู้สึกแบบ อ่ะสั่นไห ว, วบ้างแล้วการสนเทืนอนบ้างเราก็รู้สึกว่า <S 2> <S 2> <S 2> เอ้ยมันมันอาจจะไม่ใช่ม้าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเขาอยู่ท e ีคอนโดมิเน e ียมนะคะแล้วก็ทางหลายๆที่เองน่ยเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันแหละเขาบอกว่าโอ้โหรู้สึกนื่องาตัวเองจะเป็นลมมันเวียนหัวมันบ้านหมุนเลยเงี้ยนะคะนี่ก็คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราจะมาคุยกันนิดนึงนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นยังไงและมีผลอะไรบ้างกับทางฝั่งของประเทศไทยเราค่ะใช่แล้วนะครับจากกรณีแผ่นดินไหวในานะครับ ยังไม่มีคนไทยได้รับผลกระทบนะครับแต่หลายโครงการรับรู้แรงสั่นสะเทือนทางด้านของโรงไฟฟ้าหงสาเองมีการสั่งปิดนะครับเพื่อตรวจสอบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับใช่แล้วค่ะเรื่องราวนี้นะคะกรมอุตุนิยมทวีญาค่ะได้มีการประกาศระบุนะคะว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางที่บริเวณประเทศลาวนะคะแลดะิจูด 19.46 องศาเหนือลองจิจูด 101.38 องศาตะวันออกขนาด 6.4 ความลึก3กิโลเมตรทางที่ตนออกเฉียงใต้ของบ้านน้ํำช้า ตํบลขุนน่านอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านนะคะประมาณ20กิเมตรใกล้มากเบื้องต้นนะคะบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกสั่นไหวทางภาคเหนือภาคตะลุ่งเชียงเหนือรวไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชาชนจนํานวนมากเลยค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์และจังหวัดเองเขาบอกว่ารับรู้ถึงแรง ส, งสะเทือนในครั้งนี้นะคะอย่างมากเลยก็คือประชาชนจังหวัดน่านเปียผูดกับผู้ฟังเพราะว่าใกล้ที่สุดนะคะจังหวัดน่านจังหวัดแพร่พะเยาเชียงใหม่ลำปางขอนแก่นอุดร ตธานีนะคะส่วนผู้คนในประเทศอื่นเนี่ยก็มีที่ฮานอยเวียดนามเขาบอกว่ามีแรงสั่นสะเทือนเนี่ยค่อนข้างจะอ่าค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะโดยทางด้านของอผู้จัดการนะคะของโรงไฟฟ้าหงสาเนี่ยเขาก็มาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเบียพง์ะคะ<ม>ทางด้านของคุณคัทายุทธชุพูลนะครับผู้จัดการกรรมการผู้จัดการบริหารไฟฟ้า หงษาจำกัดหรือโรงไฟฟ้าหงษาเองมีการออกแถลงการณ์ฉบที่4นะครับว่าระบบป้องกันความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนของอุปกรณ์หลักในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ทํางานตามปกตินะฮ ะ, ะต้องตามขั้นตอนะนะฮะเพื่อหยุดการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าซึ่งขณะนี้เองบริษัทก็ได้หยุดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวแล้วก็ได้เริ่มเข้าไปสํารวจความเสียหายของโรงไฟฟ้าระบบสายส่งเหมืองฐานหินเหมืองหินปูนเขื่อนน้ําเลือกนะฮะแล้วก็เขื่อนน้าแก่น ตอนนี้ก็ยังไม่พบความเสียหายของโครงสร้างหลักแล้วก็หลังสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็นในการดาเนินงานไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ พบเพียงความเสียหายที่เกิดขึ้นในส่วนของพื้นผิวของสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น<ะ>คาดว่าใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงนะครับในการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็จะรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์เป็นระยะด้วยส่วนโครงการไฟฟ้าพลังน้าเมืองไทยบุรีของบริษัทชอการช่างเองก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับแต่ก็ไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรืออาคารเสียหายด้านติดต่อชุมชนไทยในแขวงหลุงพะบางเองก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากเหตุ แผ่นดินไหวดังกล่าวด้วยแต่ก็ไม่มีข่าวสารเกี่ยวกับความเสียหายที่ได้รับแจ้งเข้ามานะครับก็คือยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะก็ถือว่าเป็น เรื่องที่ทำให้หลายคนนะเป็น Talk of the t o w ทเมื่อวานนี้อย่างเต็มๆมนะคะแล้วก็มีนักวิชาการออกมาพูดหลายท่านเหมือนกันก็บอกว่าน่าจะไม่มีหลอก a f t e r s h o ช k นะน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังกันไว้ทีนี้นคงามีคำถามเหมือนกันเบียพง์ในส่วนของเขื่อนเองเนี่ยนะคะก็มีคนไปแสดงความเห็นว่าแบบนี้เนี่ยเขื่อนเิริกิจนะ ที่ทางด้านของจังหวัดอุต ร, รดิตถเนี่ยนะซึ่งห่างจากพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยที่เกิดพนดินไหวเนี่ยสองร้กิโเมตรจะเป็นอะไรหรือไม่นะทางด้านของเขื่อนเองเนี่ยเขาก็มีการออกมาพูดถึงตรงนี้ว่ายังคงทํางานตามปกตินะค ะ, ะแล้วก็ไม่มีเหตุอันใดเกิดขึ้นค่ะครับผมอ้าวมาดูอีกหึเรื่องราวนะฮะมาดูอ e ีคอมเมิร์สกันบ้างใช่แล้วในบ้านเราหน่อยว่าเป็นอย่างไร1 11, 000, 000, ิ1เ0็ดไปยังคลื้นกัน อ, อ, อยู่ไหมครับใช่แล้วนะคะแต่ว่าเขาก็มีการค้นพบอย่างนี้คุณเบียร์พงศ์เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เน เป็นพ่อค้าแม่ขายได้ถ้าหากว่าคุณรู้จักนำเทคโนโลยีรู้จักนำในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเข้ามาช่วยในการขายของเราบางทีเนี่ยคุณบอกว่าคุณไม่ได้ขายของมือหนึ่งหรอกคุณพี่บบอกว่าโอ้โหใช้ของบางอย่างเนี่ยซื้อมาเนี่ยปรากฏว่าซื้อรองเท้ามาคู่นึงนะใส่ไปแล้วอา้าวปรากฏว่า เจ็บเท้าเออใส่ไม่ได้เออบางทีเนี่ยดิฉันก็เป็นคนนึงนะที่ซื้อรองเท้ามาคุณเคยเป็นมหมครับเราใสเราชอบมากเลยนะแต่พอนํามาใส่จริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่เข้ากับรูปเท้ามันไม่เหมาะกับเราเลืองไม่ถูกเลยเออมันอาจจะเหมาะกัคนอื่นก็ได้แล้วก็สึกเสียดายเงินตรงนี้ว่าถ้าขายไปแล้วซื้อ อันคู่อื่นเนี่ยมันอาจจะคุ้มกว่าหรือเปล่าเพราะว่าจะได้ใช้อย่างแบบว่าสมบูรณ์น่นะคะล่าสุดค่ะช h o ป e ีเองเนี่ยเขาก็มีการมาเปิดเผยเรื่องราวนะคะของร้านค้าอ e ีคอมเมิร์ซในไทยนะคะเพราะว่ามีระดาบเนี่ยเติบโตวกว่า 130% เซเลยนะขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีช่องทางขายออนไลน์แบบเต็มรูปแบบนะคะสามารถเติบโตได้มากถึง3ามเซค่ะครับผมเรื่องราวนี้นะครับเปิดเผยโดยคุณอากาธาโซนะครับ หัวหน้าฝ่ายการตลาดช h อป e ีประเทศไทยออกมาพูดอย่างนี้นะครับว่า E-Commerce ในไทยเองมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและไม่มีสัญญาณชะลอตัวลงเลยนะครับขายดิบขายดีซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการรุ่นต่อไปซึ่งเป็นแกนหลักของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ด้วยผลการวิจัยของ e-commerce and SME uncovering Thailand's hidden a s c e n t ของซ Group uh, นะฮ ะ, ะมีการสำรวจผู้ขายและก็ร้านค้าบน s h อป e e 7,000 รายชีย้เห็นว่า e-commerce ได้เข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมชีวิตของคนไทยทั่วประเทศมี3เรื่องหลัก เรื่องแรกเลยเรื่องแรกนะับผมจะพูดเรื่องนี้อีคอมเมิร์ซเขาช่วยเรื่องขับเคลื่อนรายได้รวมของธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญผุ้ฟังโดยเติบโตขึ้นอยู่ที่133ยสเปอร์เซ็นต์คือเิบขึ้นแบบเท่าตัวเกินเท่าตัวเกินเท่าตัวเลยแหละของรายได้ทั้งจากออฟไลน์และก็ออนไลน์แล้วก็รายได้สามารถเติบโตได้ถึง3เท่านะฮะเลยล่ะ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีช่องทางการขายออนไลน์เพียงอย่างเดียวซึ่งมียอดขายจากช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซมากกว่า 80% ของรายได้ทั้งหมดพูดง่ายๆว่ามีแค่ทางการขายทางออนไลน์เท่านั้นไม่มีหน้าร้านจะซื้ออะไรก็ตามต้องซื้อออนไลน์เท่านั้นนะคะอันนี้เนี่ยสามารถทำเปอร์เซ็นต์ไดถึง3ามสนะคะในข้อหลักข้อที่2ค่ะมีการสํารวจพบว่าอ e ีคอมเมิร์ซนั้นช่วยในการเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อทั่วประเทศนะคะการจ่ะตลาดระหว่างผู้ซื้อผู้ขายไม่ได้จํากัดในพื้นที่ของตัวเองอี อไปแล้วค่ะผู้ขายเนี่ยสามารถที่จะทําตลาดในพื้นที่ห่างไกลามากขึ้นในขณะที่ผู้ซื้อนั้นก็สามารถมองหาสินค้าที่หลากหลายได้จากทุกพื้นภาคทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะคะสามารถสร้างรายได้ยอดขายนอกเขตภื้นภาคของตัวเองเนี่ยได้เพิ่มมากที่สุดบนที่เด็กเข้าขายนะ ส่งจากทางเหนือน้ำพิภพแต่ส่งให้คนในเขตของกรุงเทพฯรับเป็นคนภาคกลางขายได้ดิบได้ดีนะคะ3ค่ะก็คืออ e ีคอมเมิร์ซนะคะให้กำเนิดผู้ประกอบการรายย่อยแบบใหม่ที่แสวงหาแหล่งรายได้อื่นเพิ่มนะคะโดยผู้ประกอบการเหล่านี้ 63% เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบประจำทำอะไรบ้างเป็นแม่บ้านเป็นนักศึกษาเป็นพนักงานบริษัทนะคะและ 58% ก็คือ ไม่ใช่ผู้หารายได้หลักของครอบครัวและเป็นผู้หญิงถึง 75% ด้วยกันนะคะผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่นี้ค่ะเกิดจากแรงกระตุ้นที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นกลุ่มแม่บ้านเองเนี่ยเขาก็บอกว่ามีเวลาในการที่จะมาดูแอปพลิเคชันมาดูในเรื่องของการขายเพิ่มรายได้ครอบครัวได้นะคะในขณะที่กลุ่มน้องนอนักศึกษาเองเขาก็มีแรงจูงใจสําคัญก็คือการสร้างธุรกิจของตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจได้อีกด้วยค่ ะ, ะแน่นอนนะครก็เป็นเรื่องที่ติดตามพอสมควร นะครับเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซนะครับในบ้านเราว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรแต่ต้องบอกว่าจับกระแสให้ถูกด้วยใช่แล้วนะคะเพราะว่าเรื่องราวต่างๆก็น่าสนใจพอสมควรนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวการสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองทุกคนอยากมีบ้านแน่นอนบางคนมีแล้วก็อยากมีอีกก็มีเหมือนกันนะคะบางคนก็เสียดายใช่ฮะเสียดายเพราะอะไรคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นที่ออกมากันแล้วนะคะล่าสุดค่ะธนาคารพาณิชย์นะคะคุณผู้ฟังคะมีการทยอยในการลดดอกเบี้ยค่ะกระตุ้นให้คนซื้ บ้านผู้ประกอบการตบเท้านะคะเข้าร่วมนะโครงการนี้บ้านในฝันรับปีใหม่หลายรายด้วยกันนะคะอาจโปรโมชั่นผลักดันยอดขายปลายปีให้เพิ่มมากขึ้นค่ะครับผมพันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรีนะครับปฏิบัติงานกระทรวงการคลังคุณชานกริชเดชวิทักษ์นะครั บ, รบท่านออกมาบอกว่าความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของกระทรวงการคลงังโค้งสุดท้ายปีนี้ภายใต้โครงการบ้านในฝันรับปีใหม่ โดยจากข้อมูลที่สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมอาคารชุดไทยสมาคมธุรกิจบ้านจาัดสรรบอกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะจากผู้ประกอบการาพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศทั้งจากประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดอาคารพาณิชย์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนีย ม, มก็เขารุมโครงการจัดอีเวนต์ตามห้างสงรรพสินค้ามีแคมเปญลดแรกแจกแถมให้ราคาต่ำสุดๆโ อ, อีกทั้งหลายๆโครงการเอง ก, ก็มีแจกของคําสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อ ม, มอบสิทธิพิเศษอื่นๆโดยคาดว่าจะสามารถเร่งระบาย คงค้างที่มีอยู่ประมาณ 35,000 ยูนิตได้ในช่วงปลายปีนี้ ส่วนที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเองก็เริ่มที่จะร่วมนโยบายดังกล่าวด้วยนะครับใช่แล้วค่ะไม่ใช่ว่า<อ>หมู่บ้านจัดสรรร่วมอย่างเดียวไม่ใช่ธนาคาร <นะ S 2> ก็ต้องร่วมด้วยเพราะว่าจะต้องมีการปล่อยสินเชื่อให้เงินกู้ต่างๆนั่นเองนะ<ข>ที่แรกเลยให้เรื่องของการลดดอกเบีย้ยด้วยนะใช่แล้วค่ะที่แรกเลยนะธนาคารอมสินนะคะตอนนี้มีการเปิดตัวโครงการสินเชื่อเคหะตัวใหม่นะคะวงเงินสอ0 0มล้านบาทค่ะดอกเบีย้ย 2.7-2.9% ตต่อปีเท่านั้นเองและมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมนะคะ ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปค่ะตั้งเป้าสินเชื่อทั้งปี 2,562 ของธนาคารอมสินนะคะจะมีทั้งสิ้น 7,000 70, 0ล้านบาทตั้งแต่มกราคมถึงตุลาคมเนี่ยเาปล่อยไปแล้ว 38,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะขณะที่ธนาคารนะตอนนี้มีการร่วมกับบริษัท Property Perfect นะคะกระตุ้นตลาดปลายปีค่ะมีข้อเสนอพิเศษร่วมแคมเปญ House and Condo of the Year 2019นะคะคุณดอกเบี้ยแค่ 2.5% ต่อปีเท่านั้นนาน3ปีนะคะคแล้วก็ให้ผ่อนต่ำนะคะเพียง ล้านละ 3,000 บาทสําหรับลูกค้าบ้านเดียวค่ะมีจุดแข็งก็คือให้วงเงินกู้ 100% เอร์เซและอนุมัติไวมากว่ายอย่างนั้นนะค ะ, คะขณะที่ธนาคารกษตกรไทยค่ะก็วางคปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ M L R ลง 0. ูนเปปัจจุบันนะคะอยู่ที่6กจเป็น 6.00% นเป็นะคะเป็นอัตราดอกเบีย้ยของกลุ่มลูกค้าธนาคารที่ใช้เป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ค่ะธนาคารเองก็มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากสําหรับลูกค้านิติบุคคลลง 0.0 นย์จุดศ สเปเซ็นค่ะอานะฮะข่าวดีไหมฮะข่าวดีอยู่นะครับนีน่าสนใจนะแต่ก็ต้องบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่เตรียมความพร้อมไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะคือต้องเรียกว่าผู้ที่จะมีบ้านเนี่ยเขาต้องมีการเก็บเงินในส่วนหนึ่งเปียกพงค์เพื่อการดาวนะคะแล้วก็เพื่อนำมาหมุนเวลาที่มาจ่ายบ้านต่อเดือนเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องมีเงินในส่วนของการแบบจ่ายไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดนําเงินเดือนมาจ่ายเลยเนี่ยจะกลายเป็นว่า ไม่มีไม่มีใช้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่ต้อนรับนะฮะต้องบอกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เผื่อว่าปีใหม่แล้วจะได้มีของขวัญนะเผื่อคุณสนใจมิวพงช่วงนี้เขาบอกว่าอนุมัติบ่อยมากนะแล้วบางที่เนี่ยอยเปอร์ไม่ได้คิดหนักเลยบางคนบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลาจะจะกู้บ้านทีเนี่ยมันจะตามจริงซึ่ง 80% ล่ะนะเกล่ะไม่ถึงร้อยนะคะท่านบอกว่าโหเราอยากได้เงินในส่วนที่มันสามารถจะไปตกแต่งบ้านเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะ แต่เดี๋ยวนี้นะต้องบอกว่าใครสนใจในเรื่องของ การมีบ้านนะก็นี่แหละค่ะเดี๋ยวนี้ธนาคารเองออกมาตรการมาช่วยในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์กันแล้วนะคะช่วงนี้ใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าเดินเท้าเข้าไปเลยบอกว่าขอดูโปรชั่นหน่อยนะว่าเป็นยังไงกันบ้างดิฉันเชื่อว่าเขาน่าจะแข่งขันในเรื่องของการขายโปรชั่นเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะคเอาละครั<อ>มาถึงเรื่องราวกันบ้างบีงพง์ใคร <นะ S 2> ที่<ม>เดี๋ยวนี้เนี่ยคุณมีไหมดิฉันมีนะที่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยว่าเราไปซื้อของซื้อสินค้าเนี่ยเราก็จะได้ถุงพลาสติกแบบอ่อนนะเยอะแยะมากมาย เลยคาคุณทีนี้เนี่ยเราก็บางทีมันก็เล็กไปบางทีมันก็ใหญ่ไปไม่รู้จะใช้ไปทำอะไรก็พั บ, พ, บ, พ, บพับเก็บไว้ในบ้านแล้วมันเยอะมากๆเลยนะคะแต่วันนี้เราจะบอกช่องทางนะคุณผู้ฟังในการที่จะบริจาคถุงพลาสติกพลาสติกแบบอ่อนเราไปถึงฟิล์มพลาสติกที่ใช้ในการ ห, อห่อหุ้มพวกกล่องพวก เ, เรียกว่าขวดน้ําต่างๆอะค่ะ ครับผมเอามาดูเรื่องราวนี้นะฮะไปที่สํานัก ง, งานเขตหลักสี่ใกล้ๆกับเรานี้นะครับท่านผู้มนีการเขตหลักสีคุณสมบัติกนกทิพวันณท่นอานออกมาว่าสํานัก ง, งานเขตหลักสี่เองดำเนินโครงการนี้ครับวนว น, วนนะ น, นะฮะวนนะฮะ<ช>เพื่อรูปรวมพลาสติกนํามารีไซเคิลซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของกรุงเทพในการรณรงค์คัดแยกขยะและก็รีไซเคิลขยะพลาสติก เพื่อนะฮะในการที่จะลดปริมาณขยะในพื้นที่กรุงเทพอย่างยั่งยืนโดยเปิดรับบริจาคพลาสติกชนิดอ่อน ถุงแล้วก็ฟิล์มพลาสติกที่ใช้แล้วเช่นถุงน้ําแข็งนะบางคนนึกภาพไม่ออกว่าฟิล์มพลาสติกนันเป็นอย่างเดียพงฟิล์มหุ้มขวดน้ำอ่าใช่พอมันดีแบบปึ๊บป๊กะทิ้งเมื่อก่อนนี้ฝาขวดเขาจะมีอันนั้นก็ใช่เหมือนกันนะถุงขนมปังถุงหูหิ้วถุงชอปปิ้งต่างๆและพลาสติกการกระแทกเซึ่งเอานำมานําพลาสติกเหล่านี้เนี่ยส่งต่อไปรีไซเคิลเป็นเมล็ดพลาสติกแล้วก็ถุงใช้ซ้ําได้หลายครั้งหรือถุงบนนั่นเองเป็นการใช้พลาสติกให้เกิดประโยชน์สูงสุดดช่่วยยลริิมาาณขพตตกไ้แ ทางก่อนที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อมและก็ลดปริมาณขยะทั่วไปสู่ระบบก ำ, <ท>ำจัดอีก ด, ด้วยนะค ะ, ะ, คะประชาชนที่จะนําถุงพลาสติกมาบริจาคตามที่เราแนะนํากันนะคะนอกจากจะมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังได้ร่วมทําบุญกับโครงการวนด้วยเพราะเนื่องจากว่าถุงและพลาสติกที่คุณร่วมบริจาคนะคะทุก1กิโลกรัมนะทุก1กิโกรัมที่คุณบริจาคทางโครงการเองจะมีการสนับสนุนเป็นเงิน5บาทนะค ะ, คะเพื่อบริจาคให้กับองค์การ อ, องค์กรการกุศลหรือว่ามูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะคะสําหรับประชาชนที่สนใจค่ะก็สามารถรวบรวมได้เลยแล้วก็ติดต่อได้นะคะที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสุขาภรณ์ชั้น6หรือใส่ลงในกล่องบระจากโครงการวนที่บริเวณชั้น1สํานัก ง, งานเขตหลักสี่หรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะใครสนใจจะส่งใบเสนอไปนะคะก็ที่02นย์สองค่ะห้าเจ็ดา้าาอีกครั้งนะคะ0ูนย์ส3 9 3ค่ะอ้าวนะฮะอ้าวฐานะยังมีเวลาอยู่นะครับ สุดท้ายไปเที่ยวกันหน่อยนะครับนี่เสุดสัปดาห์นี้มีที่เที่ยวกันหรือยังนะฮะหรือถ้ายังไม่มีก็วางแผนกันไว้ได้นะครับไปที่กระบี่กันไหมใช่แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเขามีแหล่งอันซีนแห่งใหม่ซึ่งก็มีคนถ่ายภาพไปก็ค่อนข้างจะฮือฮาเหมือนกันเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นะคะมีประดาวหลากสีเลยค่ะคุณคแล้วก็มีสัตว์ทะเลหายากนาน า, นานชนิดด้วยเรากําลังแนะนําที่เที่ยวแห่งใหม่เกาะปูจังหวัดกระบี่ค่ะครับผมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณเอ่าวหน้าเกาะปูหมู่2ตํา บนเกาะสีบอยาอําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่คุณผู้ฟังครับเป็นแหล่ง อ่าหญ้าทะเลสมบูรณ์และก็เป็นแหล่งหากินของพายูนเพราะปลาดาวหลากสีสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ที่โผล่เรียงรายตามแนวสันทรายและกระดองหญ้าทะเลยิ่งในช่วงน้ําทะเลลงนี่นะฮะจะเห็นแนวพื้นหญ้าทะเลสีเขียวตราการตานับร้อยไร่สร้างความตื่นตาให้แก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมท่องเที่ยวต่างเก็บภาพถ่ายไว้เป็นที่ระลึกทุกคนต่างประทับใจเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่เคยพบเห็นความสวยงามของทรัพยากรใต้ทะเลยิ่งที่ยังอุดมสมบูรณ์แบบนี้อืโดยเฉพาะนะฮะไฮไลท์ของงาน นี้นะคะก็คือปลาดาวทะเลนะคะเราไปถึงพื้นหญ้าทะเลที่เขียวขจีค่ะซึ่งมันสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าด้วยนะคะไม่ต้องดำลงไปใต้ทะเลคุณก็เห็นได้เลยค่ะซึ่งนะับว่าเป็นแหล่งที่พบหญ้าทะเลสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่นะคะปลาดาวที่พบนั้นมีหลายสายพันธุ์แล้วก็หลากสีค่ะถูกกระแสน้ําพัดมากองนอนเรียงรายจํานวนมากนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสัตว์ทะเลจําพวกปลิงทะเลปูเสฉวนนะคุณใครเคยเรียนนะ หลักสูตรเมื่อก่อนน่ะประถมแล้วเาจะมีแนะนำคุณเคยอ่านไห ม, มปูเสฉวนที่ไม่มีบ้านแล้วก็ไปเอาพลาสติกมาอยู่เข้าตีวันนี้พอดีอนะคะปูเสฉวนก็มีนะคะหอยตาชัยนะคะหอยชักตีนนะซึ่งไม่ค่อยพบเห็นได้บ่อยนักนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องบอกว่า ทะเลตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีสัตว์ทะเลเท่าไหร่แต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะคะรวมถึงยังมีหนอนทะเลฝูงปลาขนาดเล็กนะคะเข้ามาแหวกว่ายแล้วก็หาอาหารจำนวนมากด้วยนะคะการเดินทางไปพื้นที่เกาะปูค่ะอาศัยการเดินทางด้วยทางเรือเท่านั้นนะคะคู่ฟังที่สนใจจะไปดูปลาดาวหลากสีนะคะก็สามารถที่จะเดินทางขึ้นเรือที่ท่าเรือบ้านแหลมกรวดนะคะนั่งเรือประมาณ30กว่านาทีจะมีจุดที่พบปลาดาวหลากสีค่ะเป็นแนวหาดอยู่หน้าเกาะปัจจุบันนี้นะคะเป็นเน็อเป็นแหล่งอนุรักษ์ย่า แล้วก็แหล่งอนุรักษ์หอยชักตีนสภาพพื้นที่นั้นยังอุดมสมบูรณ์ไม่ถูกรบกวนจากนักท่องเที่ยวมากนักด้วยค่ะฝ า, ากเชิญชวนด้วยละกันนะ<ช>ครับสุดสตราหรืออาจจะมีท่อ ง, ททองเที่ยวไปแถวนูน้นแถวนี้ก็ลองเป็นอีกหนึ่งท่องเที่ยวในการที่จะไปเยี่ยมชมแบบธรรมชาติด้วยเช่นเดียวกันนะครับครบถ้วนแล้วนะครับกับกรอบข่าวเช้าวันศุกร์ สุดสัปดาห์แบบนี้ยังเจอ อ, อีกหนึ่งครั้งในเดือ น, นครั้งเ ด, เดือนนี้นะเดือนนี้นนตกใจในเดือนนี้นะคะ <S 1> <S 1> <S เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะแล้วก็ช่วงต้นสัปดาห์นะจะมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศ <S 2> <S 2> เดี๋ยวจะมาคุยกันว่าเอ๊ะต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นยัางไงกันบ้างนะคะ อ, อากาศคุ้เป็นยัางไงา น, นะคะเดี๋ยวว่าเจอกันในสุกหน้ากับเราสองคนนะคะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปกระทานางและคุณปิยวงเคธวัยลาไปก่อ น, นะคะ่ะขอบคุณสำหบการติดตามรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ําสนับสนุนดุ่นใหญ่ไวพชรรู้เท่าทันสื่อโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลสถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลทัญบุรี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 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา ช, ชมงคลธั ญ, ญบุรีศูนย์ ร, งรังสิปากทางเข้าเมืองเอกติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร 02-592-1999